5 i languages. หกสิารการปฏิเสธ2นิเชธรูปะเแหวนวงนี้แพงไหมคะอีวงูระดูบารีเยไม่ค่ะ แวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโลอม่นี่ดูแควลานูรูยูโรมาตรแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะอานเดเรนนับบัลลีวลาไอวัตต์มาตระอีเดคุณเสร็จแล้วใช่ไหมนินนาเกลซาโมกีเตไม่ยังไม่เสร็จค่ะ อิ lla อี น, นูอิ lla แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะอาเดเรออี น, นูสวลปาสมัยเดลลี่มุกิอุตเเรคุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะนี่นักเกออีน u สวลปาซุปเบเกอไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะนั่นนอินเบด แต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะอาดเรอินนูวันดูไอศครีมเบโกคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะนีโนตุมว่าสมัยดินดาอิ ล, ลีวาสิสุติดดยาไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียวอิลลค่วลาวันดูติงกะินดามาตรา แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วอาเรย์ยีก า, กาเกลีนานาเกตุมบาจานราปริชย์วากิเดคุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะนีนูนาเลมันเอกโฮกุกติดียะไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์ไล่แควลาวารานที่เด ล, ลี แต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะอาเดเรนานุบานุวารดันเดหินธิรุกีบรุตเตเนลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะนินนามะกาูอ า, าเลดุดดะวะลากิดดาลเยไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดปีอิลล